ตกลงกับตัวเองไม่ถูกเกิดจากการมีภาพในหัวหรือคำในหัวมั่วไปหมดการตกลงกับตัวเองไม่ถูกมันเกิดจากการที่มีภาพหรือคำในหัวมั่วไปหมดทุกภาพพลาดเลือนไปหมดแต่ละคำผุดเร็วหายเร็วปะาปนจนแยกไม่ออกว่ากำลังคุยกับตัวเองอย่างไรกันแน่ การจะตั้งเป้าหมายหรือการจะตกลงกับตัวเองให้ชัดภาพของสิ่งที่ต้องการต้องชัดลองเปรียบเทียบดูว่าภาพสุดท้ายอันใดชัดสุดความรู้สึกว่าภาพนั้นใช่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นภาพตัวตนในสาขาอาชีพที่ทำได้นานทำได้จริงภาพกลุ่มเพื่อนที่คุยกันถูกคอหรือภาพคนรัก ที่จะปรับความเข้าใจกันได้ทุกวันการรู้จักภาพสุดท้ายที่คุณจะเลือกให้อยู่กับชีวิตตัวเองนั่นแหละคือการตั้งเป้าหมายให้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานกลุ่มเพื่อนหรือชีวิตรักภาพจะเด่นชัดที่สุดตอนใจสงบที่สุดภาพจะพราเลือนที่สุดตอนใจฟุ้งซ่านสัดสายที่สุด การทราบความจริงนี้จะช่วยให้จับจังหวะถูกรู้ว่าควรตกลงกับตัวเองให้ชัดๆหรื อ, อยังเมื่อทราบจังหวะว่าจะตกลงกับตัวเองในขณะจิตแบบไหนคุณจะรู้สึกว่าแม้เรื่องใหญ่เรื่องสลักสำคัญก็ไม่ได้เลือกยากไปกว่าการคิดถึงภาพร้านอาหารกลางวันที่กำลังมุ่งไปกินสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้